ให้คนทุกคนได้ฟังและได้เอาไปปฏิบัติเรื่องชีวิตของเราซื้อไม่ได้ขายไม่ได้คนจะมีเงินหลายๆจากพันล้านก็ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้พ่อแม่จะทําให้ลูกก็ไม่ได้ลูกจะทําแทนพ่อแทนแม่ก็ไม่ได้เรื่องชีวิตมันเป็นเรื่องจําเป็นไม่ทุกเนี่ยเราพูดขึ้นมาเองแต่ความจริงแล้วชีวิต หรือจิตใจของเราจริงๆน่ะมันไม่เคยรู้ว่าทุกสุขมันไม่เคยรู้อันที่มันว่าทุกสุขนั่นคือเราหลงเรียกว่าโมหะเมื่อหลงแล้วก็โทสะโลภเกิดขึ้นมาทุกบ้างสุขบ้างอันนี้ให้เราไปที่ตรงนี้ทุกคนศึกษาได้ก่อนที่จะรู้เรื่องนี้เราต้องขำพ่วมเคลื่อนไหวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอน ให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่ง น, นอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้อันนี้เป็นการศึกษาลัดจะรับสินก็ได้ไม่รับสินก็ได้สินห้าสินแปดสินสิบสินสองรอยี่สิบเจ็ดจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะสินมันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคน เมื่อเรารู้เราเป็นปกติแล้วก็แสดงว่าเรามีศีลเมื่อเรายังไม่รู้ยังไม่มีปกติในตัวเราก็แสดงว่าเรายังไม่มีศีลอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี้ดังนั้นวันนี้เป็นวันที่สิบหกเราต้องลงมือทำกันจริงๆ ว, นน ว, วันนี้เป็นวันที่สิบห้าได้แนแนวเขานวันนี้เป็นวันที่สิบหกตอนเท้าเนี่ย เราต้องทํากันเมื่อทํำวัดเสร็จแล้วก็หลวงพ่อมาแน่แมวให้ส่วนวิธีการพลิกมือขึ้นขั้วมือลงยกมือไปเอามือมานั้นทุกคนดูแล้วก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวากลับไปกลับมาทุกคนรู้แล้ ว, ออ ว, ล บ, ล บ, ลวบัดนี้เราต้องมาพูดกันเรื่องจิตใจเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสําคัญมันคิดให้รู้รู้แล้วมาทมําความยุ่งสึกตัวเมื่อเรา ไม่ทําความรู้สึกตัวมันจะเข้าไปในความคิดเมื่อมันคิดขึ้นมาเรามาทำความรู้สึกตัวเนี่ว่าทุกต้องกําหนดรู้สมุทยัยต้องละมรรคต้องเจริญนี่โลดทําให้แจ้งท่านสอนเอาไว้มรรคต้องเจริญก็ต้องทํำบ่อยๆดิทุกต้องกําหนดรู้คือตัวเคลื่อนตัวไหวเนะี่ยเป็นเป็นทุกหรือว่าทุกขังอันนี้องอนัตตาตัวนี้ก็เป็นทุกเปลือกมันตัวนี้เราจับถูกด้วยมือมองเห็นด้วยตา ตัวทิพตาก็เป็นตัวทุกตัวหายใจก็เป็นตัวทุกสิ่งนี่มองเห็นด้วยตาตัวนึกตัวคิดก็เป็นตัวทุกเหล๋ยวทุกครังอนิจจังอนัตตาตัวนั้นต้องไปพัฒนาตัวนั้นแต่เมื่อเราจะไปพัฒนาตัวนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้จําเป็นต้องเอาตัวเคลื่อนตัวไหวที่เราทําได้นี้พอดีมันคิดพุ๊ดีใจก็ตามเสียใจก็ตามทําขนรู้สึกตัว เมื่อเราทําความรู้สึกตัวแล้วผมคิดมันถูกหยุดทันทีแต่ทีแรกเรายัางไม่เคยมันก็ต้องมันคิดไปก่อนลากไปเหมือนแมวกับหนูนี่เองหนูตัวโ ต, วตวมีกําลังแมวตัวเล็กเรีย ว, ว่าเราความรู้สึกตัวามันน้อยเป็นยังไงเมื่อหนูออกมาแมวมันไม่เคยกลัวเนี่ยมันก็จับจับหนูหนูก็ตื่นไปแลนไปวิ่งไปแมวก็ติดหนูไปเป็นยังไง นานๆมาแมวมันเหนื่อยแับแบบวางมันความคิดกับมันคิดไปร้อยอันพันยามมันค่อยเสาผู้เดียวมันอัน น, นเป็นยังันนี้พอดีเราให้อาหารแมวเดี๋ยวอาหารถ้ามาพูดตามภาษาภาคปฏิบัติเราทำความรู้สึกตัวมันเรียกว่าเป็นอาหารเป็นอาหารสติหรือเป็นอาหารแมวหรือว่าทำความรู้สึกตัวแล้วแตจะพูดเรื่องเพนีมันเรื่องสมมติ เอาปรามัดนั่นแหละมาทุกสมมติพูดให้ความเห็นสมมติบัญญัติปรามัดกับบัญญัติขึ้นมาจะยืมสมมุติไปพูดอันนี้เป็นปรมัดให้เราทำความรู้สึกตัวมากๆพอดีมันคิดปุ๊บคมรู้สึกตัวมันจะไม่ไปควมคิดก็หยุดทันทีเนี่ยทุกต้องกําหนดรู้ตัวนี้สมมติไหตัวนั้นเป็นตัวละมันละเองมันไม่ต้องดึงมันมาหรือ ปลอยมันไปหรือไม่ต้องพูดถึงเป็นวิธีลัดๆถ้าหากว่ามันมาแรงแล้วก็ต้องกำแรงๆกำแรงๆกำมือแรงๆเมื่อจะทำวิธีไหนก็ตามแ่ะทำให้มันแรงเมื่อควมแรงดันเข้ามาพอๆแล้วมันหยุดเองหมดอันนี้ว่าทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละมักต้องเจริญคำว่าวิปัสสนาภาวนาก็ไปว่าเจริญทำบ่อยๆทำมากๆ เมื่อมันคิดขึ้นมาปุ๊มันจะรู้ทันทีเหมือนกับที่หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังบ่อยว่ามีเก้าอี้ใบเดียววันนี้เราก็มีสองคนคนหนึ่งเข้าไปมีแรงดันไว้คนไปทีหลังก็เข้าไปนั่งไม่ได้วันนี้คนไปที่หลังนั่งไม่ได้สักทีแต่ก่อนนั้นเรามีแต่ควมไม่รู้ไปอยู่ความรู้นั้นไม่มี แบบนี้เราพยายามฝึกหัดควมรู้นี่เข้าไปมากๆแล้วควมไม่รู้นั่นก็ลดน้อยไปลดน้อยไปพอดีมันคิดปุ๊บทันปั๊บคิดปุ๊บทันปั๊บมันไปไม่ได้มันจะทำให้จิตใจลรกเปลี่ยนแปลงที่ตรงนี้แหละควมเป็นพระอริยบุคคลจะกลุดขึ้นที่ตรงนี้หรือเราจะได้ต้นทางที่ตรงนี้ได้กระแสรพระนิพพานที่ตรงนี้ ได้ที่ตรงนี้จริงๆใครจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องของคนนั้นเป็นเรื่องของคนนี้เมื่อเรารู้แจ้งเห็น <he en S 2> จริ ง, รงตามความเป็นจริงแล้วเราต้องกล้าพูดกล้าทํากล้าพูดกล้าคุยอันนี้เนาะคนมีดีแล้วเอามาเล่าให้พวกเราฟังคนที่อวดดีนั้นจับต้นส้นไปลายไม่ได้จับโนนใส่นี้จับนี้ใส่โนอนอันนั้นนเป็นเรื่องของคนเรื่องของคนแต่ยมันมีมากีอยวเรื่องของคนและหน้าที่ของคนเนี่ยต้องรู้จักอย่างนั้น เพอดีปฏิบัติที่ตรงนี้เนี่สมมุติเอาลราก็เดินทางไปด้วยจิตว่าอย่างไรก็ได้เละเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแนบแน บ, แนบอนู่บสิ่งเหล่านั้นวัตถุทั้งปวงเดี่ยว เ, เห็นวัตถุเห็นปรัมาสเห็นอาการตายเห็นไหมไม่ใจมันเห็นใจมันรู้ใจมันเข้าใจตัวรู้ตัวเห็นตัวเข้าใ จ, เ, เ, น เ, าใจ เ, เนี่ยรู้เองเห็นเองเข้าใจเองนี่ว่ารู้เองเห็นเองเข้าใจเอง ผลที่ได้รับคือเราเองเป็นคนได้รับเป็นอย่างนั้นอย่าอาคาตโลตถ า, ต า, ตาคตานพาตถาคตจะเป็นแต่เพียงผู้แนะแนวเท่านั้นเองการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเธอผลที่ได้รับก็บเธอเองเป็นคนได้รับพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นเมื่อเห็นวัตถุเห็นปรามาสเห็นอาการแล้วทุกคนคงจะได้ฟังมาบ่อยครั้งเรื่องนี้วัตถุกหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ซื้อมันนะ่ะแล้วมันสมมุติขึ้นนะ่ะที่มันมีในโลกเนี่ยที่มันมีในตัวเราเนี่ยเรียกว่าวัตถุปัจมาติเดียวของจริงที่มีในโลกนี่เองตามองเห็นก็เป็นปาัามัติจิตใจมันนึกมันคิดก็เป็นปมัมัติปรมตัติเดียวของจริงเปลี่ยนแปลงแปรผันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี่เราเป็นปัจมัติอาการสภาพ ท, ที่เปลี่ยนแปลงไปได้คือเกิดแล้วก็แก่ตายเราเข้าลงเราเห็น ต้นไม้ก็ตายเป็นคนก็ตายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปได้นี่แหละเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเห็นสภาพอาการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เห็นคนใดมีโทสามากก็จะเห็นโทษ า, า, า, าชัดเจนขึ้นมาคนใดมีโมหามากก็จะเห็นโมหะชัดเจนขึ้นมาคนใดมีโลภามากก็จะเห็นโลภาชัดเจนขึ้นมาคนใดมีอันใดมากจะเห็นอันนั้นก่อนคือความหนักความผักดัน เลือกควมดึงจะพูดยังไงก็ได้เนี่ยเราจะได้รู้ได้เห็นสิ่งนั้นเมื่อรู้เห็นสิ่งนั้นแล้วสมมติเอาน้าหนักของเราร้อยกิโลควมหนักนั้นแหะจะลดน้อยไปควมหนักจะหลุดไปว่าอย่างนั้นก็ได้อย่างน้อยที่สุดหลวงพ่อเคยถามมาแล้วคว่ำหนักร้อยกิโลเนะ่ะหลุดไปแล้วสามสิบกิโลสี่สิบกิโลห้าสิบกิโล โดยมากอยากพูดถึงห้าสิบกิโลนี่แหละเป็นอย่างนะหลวงพ่อเดินเดินกลับไปกลับมาหลวงพ่อพูดเนี่ยน้ําหนักของหลวงพ่อร้อยกิโลหลุดไปเลยแปดสิบกิโลเออไปแล้วแบบ น, นี้หลวงพ่อเข้าใจขนาดความเป็นพระเนี่ยเกิดขึ้นที่ตนอ๋อเราเป็นพระได้แล้วหลวงพ่อนุ่งกางเกงกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวผมก็ยาวเออเป็นพระได้แล้ว ทำไมจึงรู้ได้เพราะความรู้ความเข้าใจความเห็นแจ้งได้ยังเมื่อรู้เห็นเข้าใจอย่างนี้ความเป็นพระเกิดขึ้นภายในใจิตใจพระประเทศนี้เด็กเป็นปรามาติเป็นอัตถะเนี่ยเป็นปรามาติบัญญัติอัตถะบัญญัติอนิยบัญญัติความเป็นอริยบุคคลก็มีในคนทุกคนดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนอวสัตว์ทั้งหลายคือเราแต่ถาคต สัตวทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตวทั้งหลายเป็นตถาคตแต่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์นั้นแต่ความเป็นพระนั้นมีแล้วในคนทุกคนธรรมะจึงทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกค้นพบในประเทศอินเดียได้เห็นว่ามันไม่มีทุกข์หรือมันแก้ปัญหาตัวเองการขัดแย้งในตัวเองได้คนไทยก็อยากได้ ดังนั้นธรรมะอันนี้ไม่เป็นของใครไม่เป็นของคนไทยไม่เป็นของคนจีนไม่เป็นของคนฝรั่งเศสไม่เป็นของใครทั้งหมดเลยเป็นของทุกคนเป็นของผู้หญิงเป็นของผู้ชายเป็นของบุคคลผู้ที่รู้เอาไปใช้กับชีวิตตัวเองได้อันนี้แหละเมื่อเห็นเข้าใจสัมผัสสิ่งนี้แนบแน่นดีแล้วเวทนาความทุกข์ สัญญาก็ไม่ทุกสังขารก็ไม่ทุกวิญญาณก็ไม่ทุกอันต้นทุกรูปอันเนี้ยมันไม่รู้อันนั้นมันทุกมากดังนั้นควรมเป็นพระจรึงหรอมีแล้วไหนคนก็คนเมื่อเห็นรู้เข้าใจอันนี้เรียกว่าได้ต้นทางได้กระแสพระเนปานเห็นพระพุทธเจ้าได้น้อยเป็นทางไปเลยไม่ใช่ทางมองเห็นด้วยตาใจมันเป็นเองใจมันเห็นใจมันรู้ทางเส้นนี้ ว่าทางนี้เป็นทางเอกทางที่รับตรงที่สุดที่นํามาเล่าให้ฟังในขณะนี้ก็ เ, เพราะว่าพวกคนทําได้ไม่ใช่จะยกเว้นแต่ว่าสําคัญจะจะเป็นคนจริงหรือคนไม่จริงถ้าเป็นคนจริงต้องรู้ของจริงถ้าเป็นคนไม่จริงแล้วแม้เราจะลองอยู่ก็ตามหิวข้าวหิวข้าวแต่ข้าวมีในมือไม่กินมันก็ไม่มีแล้ว แต่คนหนึ่งพอหิวข้าวข้าวมีในมือกินเลยอย่างที่พูดนี้ก็เช่นเดียวกันวิธีปฏิบัตินั้นก็ได้แนะนําให้เข้าใจไว้แล้วบัด น, นี้เมื่อเวทนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกวิญญาณไม่ทุกแล้วคนกันทุกก็ไม่มีเพราะว่ารูปนี้มันไม่รู้จักมันตายเน่าเข้าลงไปแล้วก็ไม่รู้เลยส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาอยอดนามรูปอันนี้มันเป็นรูปแล้วก็ ความรู้เป็นนามอันนั้นมันเป็นนามแต่มันเป็นรูปคุมคิดขึ้นมามันก็รู้เท้ารู้พันรู้จับกันรู้จับแก้รู้จับเหตุรู้จับผลอันนี้เป็นการเริ่มต้นทำให้บุคคลผู้ที่รู้เป็นพระได้ดังนั้นที่เราสวดปริตะมงคลกันอยู่บ่อยๆว่าพุทธะโลกฐ ร, รมเมหิจิตตังยนักกรรมปติอโศกังวิรัสังเทมังเราสวดกัน แต่ถือว่าเป็นของขังศักดิ์สิทธิ์อันนั้นไม่ไมขังไม่ศักดิ์สิทธิ์มันเป็นปริตะมงคลมันเป็นมงคลทันวัดเพราะน่ะพุทธสโลกะธรรมเมหิจิตดังยักษนะกปฏิจิตของผู้ใดสตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์หรือว่าโลกกะระทำทั้งหลายหรือว่าอารมณ์ทั้งหลายยี่วอย่างไงก็ได้จิตของผู้ใด ไม่ใช่จิตของพระพุทธเจ้าจิตของบุคคลใดวาจานันกนได้จิตของผู้ใดมันมีแล้วจริงะแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจก็แสดงว่าสิ่งนั้นไม่มีเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจแล้วสิ่งนั้นน่ะมันมีในคนทุกคนจริงว่าจิตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวต่อโลกกระททั้งหลายคือเสียงสม เนี่ยเสียงนินทาว่าร้ายเราเราไม่ต้องยินดีเพราะเรารู้จักเหตุการณ์รู้จักสมมุติแท้ๆอันอันเรื่องรูปนามเป็นเพียงสมมตุติแต่เรายังไม่เข้าใจสมมุติอันเป็นอย่างนั้นมันนี่ยท่านาอะโสกังเป็นจิตไม่เศร้าโศกเป็นจิตทุกคนไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่ดีใจมันมีแล้วในคนทุกคนท่านว่าอย่างนี้มินดชังมาท่าน เป็นจิตที่ไม่มีธุลีหรือว่าไร้ธุลีท่านว่าอย่างนี้เป็นจิตที่ว่าถึงจัดอยู่ด้วยธุลีก็ไม่ขุนมัวกับธุลีเหมือนกับน้ําน้ําเราเข้าใจว่าน้ําขุนคือความจริงน้ําไม่ได้ขุนตะกอนอันนี้ว่าจิตไร้ธุลีเทมังเป็นจิตอันกเกษนคือจิตมีความสุขคําว่าสุกเกษนเป็นจิตที่มีความสุข เป็นจิต ท, ที่มีอุเบกขาจะว่าอย่งางไรก็ได้แหละมันเป็นเรื่องสมมุติเอาปรามาัดมาพูดมันก็ต้องยืนสมมุติขึ้นมาพูดทำอันนี้แหละทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียสมัยเอตมังขาลมามุตตมังเป็นธรรมตี่อย่างเนี่เป็นมงคลอันสูงสุดเมีเทวดาก็ได้คนก็ได้ใครก็ได้ทําได้ทั้งนั้นดังนั้นพวกเรามาอบรมระยะสิบวันนี้ ให้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้สัมผัสแนบแน่นเอากับสิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าหากพวกเรารู้แล้วคนอื่นจะมาแย่งสิ่งออกไปไม่ได้นี่เราซับภายในอย่างที่เคยพูดให้ฟังมาหลายครั้งเรามีตู้เซ็ตมีเงินมีเพชรคนมาแย่งสิ่งออกไปได้ตู้เย็นแลาอาหารเข้าไปที่นั้นบางทีลืมปิดอาหารก็เสียได้ ถ้ า, าเรามีตู้เซฟจริงๆแล้วมีกุญแจปิดไว้ดีๆแล้วคนจะมาเอาไปก็ไม่ได้มีตู้เย็นดีๆใส่ให้เป็นถ้าหากใส่เป็นแล้วก็ตู้เย็นเขามีค่ามีราคามีประโยชน์กับตัวเราอาหารที่อยู่ในนั้นก็มีค่ามีราคามีประโยชน์ที่ตัวเราจะเอามาทําครัวกินได้อย่างสบายๆอันนี้เป็นประโยชน์กับบุคคลผู้ที่รู้คนผู้ที่ไม่รู้ก็ คือว่าตู้เย็นไม่มีประโยชน์ตู้เซฟไม่มีประโยชน์อันนี้แหละคนเราเกิดมาแล้วเป็นคนเราเห็นได้เกิดมาเพียงวันเดียวตายก็มีบางคนเป็นหนุ่มเป็นสาวตายไปก็มีบางคนเป็นพ่อบ้านแม่เรือนตายไปก็มีบางคนอายุเจ็ดสิปีแปดสิบปีไม่เคยรู้ชีวิตตัวเองไม่เคยเห็นจิตใจตัวเองแล้วคุณค่าการเกิดเป็นคนนั้นน้อยที่สุดแทบจะไม่มีเสียเลย พราะอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งนอนด้วยทุกไปไหนมาไหนก็ไปด้วยทุกแล้วจะมีประโยชน์อะไรคนพวกนี้นั้นแม้จะมีเงินจากหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะเอาไปนําไม่ได้อันนี้ถึงจะมีน้อยก็ตามมีมากก็ตามมีได้มีเงินมีทองก็มีได้เพราะมันไม่ทุกไซให้เป็นมีเงินใไ้ไม่เป็นก็ไม่ได้ประโยชน์มีเงินไซเป็นก็มีประโยชน์มีข้าวทําพันมัน เอามากินเป็นประโยชน์ถ้ามีข้าเอาไปทําพันไม่เป็นเอามากินไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมะระยะสิบวันเนี่ยอันนี้เป็นขั้นต้นเรียกว่าเป็นปฐมละเลิกหรือเป็นปฐมสารก็ได้ขั้นต่อไปเราก็ต้องพูดไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปจึงว่ามันมีเป็นสันเป็นสันเรียกปฐมสารทุติยสารตติยสารจตุทสารปัญจมาสาร ในตำราเขาพูดไปอีกอย่างเนี่ยความเป็นความมีความเห็นความเข้าใจความสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นที่พวกเราแม้ผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามพระสงฆ์องค์เจ้า ก, ก็ตามปฏิบัติธรรมะต้องรู้อย่างนี้ที่หลวงพ่อรู้แต่คนอื่นจะรู้ยังไงไม่รู้ที่มาที่นี่คันธ้าต้องการอย่างนี้ก็ต้องรู้อย่างนี้ถ้าผิดอย่างนี้ไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ ธรรมะแท้ได้คือสิ่งเดียวกันดังนั้นหากเป็นคนแล้วต้องมีเหมือนกันทั้งหมดเลยถ้ามีคนจริงนะถ้าไม่จริงก็ปฏิบัติไม่จริงก็ลูกของไม่จริงเอาไปใไ้ก็ไม่จริงแต่มันจริงจริงโดยของปลอมแปลงไปเราเห็นจริงไหมสีแสงผีเทวดาเห็นจริงแต่สิ่งนั้นมันไม่ใช่เป็นของจริงเพราะจิตใจของเรามันลอกเราเองเราไม่เคยเห็นจิตใจเรามันก็ลอกเรา เมื่อเราเห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่งกับมันแล้วมันจะหลอกหลอนไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนคนที่ยังไม่รู้ให้รู้มันไม่รู้มันจึงโง่เท่านั้นเองถ้ามันรู้แล้วมันจะไม่โง่เลยไม่ใช่ว่าไม่รู้หาเงินหาทองไม่รู้อย่างนั้นอโง่ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าโง่ไม่มีพักมีพวกหาเงินหาทองไม่เป็นไม่ใช่โง่อย่างนั้นที่หลวงพ่อพูดนี้อันไม่รู้คือไม่รู้ โสภาโมหะโลภะนี่เองคือไม่รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เองโง่ก็แสดงว่ามันไม่เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเราสลาดแล้วเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงตามควรเป็นจริงรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จกกัจ ก, ก, จกอัสนะมันได้เนี่ยท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเอาไว้ว่าสัดทั้งหลายคือเราแต่าคตคือที่ตรงนี้ สัตว์ทั้งหลายเหมือนเราแต่ละขดเหมือนที่ตรงนี้สัตว์ทั้งหลายเป็นแต่ละขดเป็นที่ตรงนี้เพราะได้กระแสพระนิพพานเดินไปหาพระพรุทธเจ้าที่ตรงนี้เพราะรู้ทางไปแล้วคนอื่นจะปิดบังไม่ได้เพราะเรารู้เนี่ยเราก็ต้องไปหาพระพรุทธเจ้าได้เห็นพระพรุทธเจ้าจริงๆเป็นอย่างไรถ้าเราจะไปหาพ่อเราแม่เราก็ตามเราก็ต้องไปหายถูกจริงๆเพราะเราเห็นพ่อเราเห็ น, หนแม่เราจริงๆยกมือไหว้ตัวเองเลย นบพ่อไปอย่างนั้นจึงว่าหน้าโมตัสะแต่เราขอนบนอนนบตัวเองนอนตัวเองไล่ตัวเองเพราะตัวเองมีดีแล้วนี่อย่างนั้นทีแรกไม่รู้จักตัวเองมีดีขนาดนี้เมื่อมารู้ตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองพกคนมีดีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าดังนั้นพุทธานุพุทธังสามะิระทิฏฐิพุตสะูลตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอกันหลวงปู่ พอเราเห็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้านี่รู้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้านี่และได้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้านี่หรือว่าปลดปล่อยได้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้านี่มันก็ต้องรู้เห็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้า